Mm hmm. ปัธรรมมันเป็นการสร้างนิสัยใหม่ให้กับตัวเราเองเช่นได้เรียนรู้การอยู่ง่ายกินง่ายรวมทั้งที่สำคัญคือว่าได้มั่นมองตนอยู่เสมอเรามองออกไปนอกตัวเยอะแล้วนะ เรารู้เรื่องนอกตัวมากมายซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เกี่ยวอะไรกัรบเราเลยนะหลายคนรู้เรื่องดารารู้เรื่องนักแสดงรู้เรื่องทีมฟุตบอลสารพัดแต่ว่าเรื่องตัวเองรู้น้อยมากมาที่นี่เราก็ได้ฝึกการมองตน เมื่อมองตนเราก็เห็นตนรู้จักตนเองได้มากขึ้นเมื่อมองตนเราก็ได้เห็นได้รู้เท่าทานความรู้สึกนึกคิดในใจเมื่อทำอะไรเราก็รู้ว่ากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ ใจไม่ลอยหลงไปไหนหรือว่าลืมตัวบ่อยครั้งเราไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทําอะไรอยู่ได้ซ้ํากินข้าวก็ไม่รู้ว่ากินข้าวเดินก็ไม่รู้ว่าเดินฟุ้งซ่านก็ไม่รู้ว่าฟุ้งซ่านโกรธก็ยังไม่รู้ว่าโกรธแต่เมื่อเราได้มองตนบ่อยๆนะก็จะได้ เห็นตัวเองชัดขึ้นว่ากำลังทำอะไรได้รู้จักตัวเองลุ่มลึกมากขึ้นหลายคนอาจจะพบว่าตัวเองก็มีนิสัยไม่ดีหลายอย่างแต่ก่อนก็นึกว่ารอเป็นคนดีเป็นคนเสียสละเอื้อเฟื้อนะแต่ว่าพอมาเดินจงกรมมาสร้างสติ ความคิดต่างๆอารมณ์ความผู้สึต่างๆมันก็ผุดโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นว่าโอ้เรานี่ก็ร้ายนะเห็นแก่ตัวขี้อิจฉาหวาดระแวงหรือว่าอ่อนแอขี้กลัวภาพลักษณ์ที่เราคิดว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นี่ในความจริงมันไม่ใช่เพราะว่า ในความไม่ดีก็มีอยู่มากมายแต่ก็ให้รู้ว่านั่นเป็นเพียงแค่สิ่งที่คิดขึ้นมาในใจอารมณ์ต่างๆไม่ต้องเสียใจเวลามีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะว่าจิตมันคิดดีมันก็คิดเป็น คิดไม่ดีมันก็คิดเป็นเหมือนกันหลวงพ่อเฟื่องท่านก็พูดดีนะบอกว่ากายเราเนี่ยเหมือนกับไอ้ใบคือมันพูดอะไรเองไม่เป็นส่วนใจเรานี่มันคือไอ้บ้ามันคิดได้สารพัดยิ่งถ้าไม่รู้จักมาดูแลรักษาให้ดีไม่รู้จักหันมามอง ใจนี้นะั้นมันก็กลายเป็นไอ้บ้านหนักขึ้นจนพาชีวิตเราเข้าโรกเข้าพงอันนี้เมื่อมองตนได้ถูกต้องมากขึ้นนะโดยพองการมองด้วยสตินะก็จะเห็นว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายทั้งปวงนีนะ่มันไม่ใช่ของเราเลยมันเกิดขึ้นที่ใจของเราก็จริงนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นของเราควบคุมอะไรไม่ได้ ใจนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นลงเชื่อเป็นของเรานะแต่ว่าทําไมสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้อยากให้ใจสงบมันก็ไม่สงบอยากให้ใจหยุดคิดมันก็ไม่ยอมหยุดคิดอยากให้ใจหายโกรธมันก็ไม่ยอมหายโกรธเราไม่รู้เลยว่าอย่ยวว่าตายอีกหนึ่งวันข้างหน้านะแพ้กระทั่งอีกหนึ่งนาทีข้างหน้านี่ ก็ยังไม่รู้เลย ว, ว่าเดี๋ยวใจมันจะคิดอะไรตั้งใจจะให้ใจไม่คิดอะไรสักหนาทีบอกว่าผ่านไปแค่นาทีเดียวมันก็ไปแล้วมันลอยไปไหนไม่รู้เห็นได้ชัดเลยว่าใจก็ดีความรู้สึกนคิดทั้งหลายมันไม่ใช่ของเราตอนที่ไม่ได้มาปฏิบัติก็ไม่เห็นนะที่จริงมันไม่ใช่แค่ ใจนะักกายก็เหมือนกันนั่งไปเดี๋ยวเดียวก็เมื่อยละไม่อยากให้มันเมื่อยมันก็เมื่อยอยากให้มันทนมันก็ไม่ยอมทนเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดอุจจาระเดี๋ยวก็ปวดปัสสาวะเราก็จะเห็นกายและใจชัดขึ้นเราก็จะเห็นต่อไปว่า ไอ้กายและใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่ของเรานะมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราเวลาปฏิบัติถ้าเราเจริญสติมองตนด้วยสติก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วนี่มันก็มีแต่กายกับใจเท่นั้นแหละเห็นกระทั่งว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันไม่มีไม่ว่าทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่เราทำนะมันเป็นรูปหรือนามที่ทำ ไม่ใช่เราทำแต่ก่อนเวลาเดินก็คิดว่าฉันเดินฉันเดินเวลานั่งคิดว่าฉันนั่งเวลาคิดก็คิดว่าฉันก็สำคัญม่หมายว่าฉันคิดแต่พอมาจเจริญสติมาดูมามองตนก็พบว่าเดินเนี่ยคือรูปดังหางที่เดินนั่งก็เป็นรูปที่นั่งคิดนะมันเป็นใจที่คิด กรธก็เป็นใจที่โกรธหรือเห็นต่อไปว่าออกความโกรธมันเกิดขึ้นที่ใจมันไม่ใช่เราโกรธเมื่อมองตนเข้าไปเรื่อยๆก็จะพบว่ามันไม่มีตนนะมันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจมันมีแต่รูป ก, กับนามแค่นั้นเองนั้นจะมองตนดีๆนะก็จะไม่เห็นตนแล้วนะ แต่ก่อนนี่มองตนก็เห็นตนเห็นว่าเราทําอย่างโน้นเราทําอย่าง น, าางนี้เรามีนิสยยัสยอย่างนั้นเรามีนิสัยอย่างนี้เห็นตนอยู่เต็มความรู้สึกแต่ต่อไปนี่ถ้ามองตนโดยเพาะมองด้วยสติก็จะเห็นว่าไม่มีตนเลยมองตนแต่ไม่เห็นตนมันเห็นแต่รูปกับนามเห็นแต่กายกับใจอันนี้สําคัญมากเลยนะ ถ้ามองตัวเลงเห็นตนตัวเบ่งเบ่งอยู่นี่ก็แสดงว่าไม่ถูกนะอาจจะผิดทางบางคนปฏิบัติแล้วี่ตัวตนนะมันใหญ่โตมากขึ้นพอเกิดความหลงตัวลืมตน ว, ว่าฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมนะฉันเป็นผู้ที่มีคุณวิเศษฉันมีความสามารถไม่เหมือนใครนะสติฉันเป็นเลิศกว่าคนอื่นเนะี่ย อันนี้แสดงว่าตัวตนมันใหญ่จริงปฏิบัติและตัวตนมันต้องเล็กลงหรือว่าผู้ให้ถูกต้องคือว่าเห็นเลยว่ามันไม่มีตนไอ้ตนหรือว่าชั้นนี่มันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะอาวิชชามองตนคือมองเห็นความจริงจนพบ ว, ว่ามันไม่มีตนมันมีแต่กายกับใจมันมีแต่รูป ก, กับนาม หลวงพ่อเขียนถ้าใช้คําว่าทะลุงนะทะลุงให้ไอที่เห็นเป็นรุมรัวเป็นเป็นตัวกูนะเป็นตัวฉันนี่พอทะลุงไปมันก็เราทะลุงแล่น่นมันก็แยกออกมาเป็นส่วนๆที่เราแยกเป็นขันแยก ง, ง่ายๆคือเป็นรูป ก, กับนามถ้าแยกไปให้ละเอียดกว่นั้นก็คือเป็นขันท่ามันมีแต่ขันท่ามันไม่มีเราไม่มีตัวกู เมมองตนนี่ถ้าถูกต้องมันต้องมองเห็นจนกระทึงขนาดนี้คือมองไม่เห็นตนแล้วเพราะว่ามันไม่มีตนตั้งแต่แรกเราจะเห็นได้ยังไงความจริงมันเป็นอย่างนั้นว่ามไม่มีตนถ้ามองเห็นความจริงก็ จ, งจะพบว่าไม่มีตนมันมีแต่รูป ก, กับนามกายกระใจอาการอย่างเช่นนี้นี่เราก็คงจะไม่ได้เห็นอยู่ตลอดนะแต่ว่าก็จะเห็นเป็นประพิมประพายไปเรื่อยๆ จงกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นความจริงความจริงก็มีเท่านี้แหละคือรู้กับนามกายกระใจหรือว่าขันท่าการเห็นเช่นนี้นี่มันช่วยปวดความทุกข์ออกไปจากใจมากเพราะว่าความทุกข์คนเราเกิดจากความยึดว่ามีตัวตนยึดในตัวกูของกูมีอะไรมากระทบกับกายกับใจก็ไปยึดว่าเป็น ก็ามากระทบตัวกูจกพะพอเราเห็นว่ามันมีแต่กายกับใจรูปกับนามแล้วนี่เวลามีอะไรมากระทบนี่มันก็ไม่กระจายนะเช่นเวลามีทุกข์กายเนี่ยใจก็ไม่ทุกข์ด้วยแต่ก่อนนี่พอมีอะไรมากระทบกายก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยฉันเจ็บมันมีตัวฉันเป็นผู้เจ็บ เป็นผู้รับเป็นเจ้าของนะความเจ็บความปวดนั้นแทนที่จะเห็นว่ามันเป็นแค่กายเพอรู้ว่าฉันเจ็บแล้วนี่เป็นไงใจมันก็เจ็บไปด้วยแต่พอเราเห็นความจริงว่ามองตนอยู่เสมอจนเห็นว่ามันมีแต่ลูกกับนามเป็นความจริงเช่นนี้อะไรมากระทบกับกายนะใจก็ไม่ ไม่เจ็บไม่ปวดด้วยมันก็เป็นแค่จำกัดวงอยู่กับกายเท่านั้นเองมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หรวงู่บุตรดาท่านยังมีชีวิตอยู่หรวงูบุตธดาท้าวกรโท่านก็มรณภาพไป20ปีแล้วถ้าเป็นพาผู้ใหญ่ที่มีคนเคารพนับถือมากสมัยก่อนนะเพราะว่าท่านมีอายุยืนนานนับร้อยปีมีคนหนึ่งก็โยมนิมมูลให้ท่านมาฉันอาหาร บอกว่าท่านก็มากับพระนะหลายลูกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพระหนุ่มบอกว่าอาหารนั้นมันมีพิษพระนี่ก็อาจเจียนกันเป็นแถวนะยิ่งพระหนุ่มได้แล้วนี้อาเจียนจนอาเจียนแล้วอาเจียนอีกจนหมดสภาพนอนกองนอนระเกะระ ก, กะแต่หลวงปู่บุดาท่านก็แปดสเก้าแล้วนะท่านก็อาเจียนนะ แต่อาเจียนเสร็จท่านก็มานั่งคุยกับโยมต่อคุยเพื่อให้เจ้าภาพเขาคลายความทุกข์นะเพราะว่าไปทำให้พระคุณเจ้าเดือดร้อนจากอาหารที่ตัวเองถวายคุยสักพักหนึ่งท่านก็อ้วกใหม่อาเจียนใส่กระโถนแล้วก็มานั่งคุยต่อโยมก็แปลกใจเอ๊ะทำไม ท่ไม่เหมือนภาพรูปอื่นเลยภาพรูปอื่นนี่ถ้าเรีหนุ่มกว่านี่หมดสภาพไปเลยหลวงปู่ท่านก็อธิบายว่ากายประกอบไปด้วยธาตุสี่เวลามันโดนยาเบื่อยาเมานะมันก็มีอาการอย่างนี้แหละแต่ว่าใจไม่ได้โดนด้วยมันก็เลยไม่มีอาการอย่างนั้นการกระจายเป็นคนละส่วนกันจะมาปะปนกัน มีคนท้าก็ไปผ่าตัดนิว้วผ่าเสร็จไม่ทันไรเลยท่านก็บอกหมอพยาบาลว่าเขาช่วแล้วละนะไม่เป็นไรแล้วหมอพยาบาลก็ประหลาดใจนะเพราะว่าบางคนนะผ่าเบาวกว่าท่านอีกนะแต่ว่าก็ปวดต้องอยากจะพักฟื้นนานๆแล้วก็เลยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อหลว ง, งปู่ไม่ปวดเลย ปูถ้าเขาบอกว่าปวดเสดกายของฉันเนี่ยมันก็เหมือนกายคนอื่นแหละมันก็รู้จักปวดแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้วยท่านก็เลย้สึกว่าเออไม่เป็นไรนะจะกลับปัดก็ได้อันนี้คือพอเราเห็นความจริงจากการมองตนว่ามันมีแต่กายกับใจเวลาปวดกายมันก็ปวดแค่กายมันก็ไม่ลาไปถึงปวดใจ ก็ไม่มีความรู้สึกว่าฉันปวดฉันปวดถ้ามีความรู้สึกตัวฉันอยู่เต็มที่เนี่ยนะก็ทบไรกับกายมีอะไรมากระทบกายมันก็ลามไปถึงใจก็ป่วยทั้งกายป่วยทั้งใจมันไม่ใช่แค่ปวดอย่างเดียวอย่างอื่นด้วยอย่างอาจารย์กำพลท้องบุญนุ่มนะท่านก็พิการมาตั้งแต่ ก่อนเป็นเจเพสเองนะคือ24เป็นครูสอนพละสอนลูกศิษย์ว่ายน้ำปรากฏว่าตัวเองเนี่ยหัวไปกระแทกกับพื้นสระก็ทำให้อำมพาตตั้งแต่คอลงมาชีวิตนี่หมดอนาคตเลยเป็นเวลาสิบปีที่มีแต่ความทุกข์ทรมานเพราะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่มีวันหายก็รอวันตายนะ ต้องให้พ่อแม่นช่วยป้อนอาหารพาเข้าห้องน้ำแต่ว่าหลังจากที่ได้มาอ่านหนังสือธรรมะก็รู้สึกดีขึ้นแต่พอเลิอกอ่านก็ทุกข์ใหม่จนกระทั้งได้มาปฏิบัติธรมรมกับหลวงพ่อคำเขียนพอได้ปฏิบัติเข้าโอ้ท่านก็สอนแค่ยกมือนะไม่ใช่ยยกมือพลิกมือไปพลิกมือมาเพราะว่า ทำอย่างอื่นไม่สะดวกและเดินจงกรก็ไม่ได้พลิกก็ให้รู้ว่าพลิกนะเวลาพลิกก็รู้วเนี่ยไอ้ทพลิกเนี่ยก็คือมือไอ้ทพลิกเนี่ยคือกายถะใจลอยใจฟุ้งก็ให้รู้วานั่นะมันเป็นใจให้เห็นนะว่าไอ้ที่พลิกเนี่ยเป็นรูปไอ้ทคิดเนี่ยเป็นนามก็พิจารณาไป จเจิญสติพลิกไปพลิกไปจนทั่งถึงจุดหนึ่งก็เห็นแจมแจ้งแล้วโอ้เห็นแจมแจ้งในรูปน้ำว่าจริงๆแล้วมันก็ตัวล้อมก็มีแต่รูปกับน้ำแหละมันไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นั้นพอเห็นเช่นนี้นี่ท่านบอกว่าจิตนี่ละออกจากความพิ ก, การเลยเพราะเห็นว่าแท้จริงแล้วนี่ไม่ใช่เราพริ ก, การเป็นกายต่างหากที่พิ ก, การใจไม่ได้พิ ก, การด้วย เราบว่านาทีนั้นเองเนี่ยจิตเราจะความทุกข์ไปเลยทุวันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานเป็นครูสอนธรรมะถ้าเรียกตัวเว่าเป็นอุปกรณ์สอนธรรมะท่านคนนี้ก็ประทับใจเพราะว่าท่านยิ้มแ ย, ย้มแจ่มใสแช่มชื่นเ บ, บ, บิกบา น, น, นทั้งที่กายนี่เป็นทุกข์นะแต่ว่าใจไม่ได้ทุกข์ด้วยเพราะว่าได้เห็นความจริงแล้วว่าไอ้ที่ทุกข์เนี่ยคือทุกข์กาย อ้ที่พิการคือกายพิการแต่ใจไม่พิการด้วยคือถ้าเรามองตนจนไม่เห็นตนเห็นแต่รูป ก, กับนามกายกระจายนี่ความทุกข์มันบรรเทาเบาบางไปเยอะเลยนะจอทั้งสามารถจะหมดหรือพ้นจากความทุกข์ได้ในความหมายที่ว่าทุกกายยังมีอยู่นะกินยาเบื่อยาเมาก็กายก็ยังทุกข์อยู่มีอะไรมากระทบกายกายก็ปวดอยู่แต่ใจไม่ทุกข์ด้วย กายแก่ก็จริงแต่ใจไม่รู้สึกแก่ป่วยนะก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยดัยาการเห็นความจริงว่ามันมีแต่รูป ก, กับนามกายกับใจไม่มีตัวเรานี่มันช่วยทําให้ลดความทุกข์ไปได้เยอะหรือว่าสามารถจะพ้นทุกข์ได้ยิ่งกว่านั้นเนี่ยมันทําให้เกิดความเมตตากรุณามากขึ้นนะเพราะว่าเมื่อ ไอ้ความยึดติดในตัวกูมันหมดไปความสงคัญบรหมายเมือว่าตัวกูตัวฉันมันหมดไปมันก็มี็นความเมตตากรุณาเป็นหนึ่งเดียวกับสพัพสัตว์แม้กระทั่งธรรมชาติก็รวมด้วยเช่นกันหลวงพ่อเขียนท่านเลาว่าเมื่อท่านได้ปฏิบัติธรรมเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เป็นผลจากการปฏิบัติธรรมก็คือความรักธรรมชาติแต่ก่อนท้าไม่รู้สึกขนาดนั้นเวลาตอนเป็นคารวาสไปไหนมีพระก็ใช้พระในหัวต้นไม้ที่อยู่สองข้างทางนะเป็นธรรมชาติธรรมดาเลยแต่พอได้ปฏิบัติธรรมนะจนพบความจริงนี่ความรู้สึกรักธรรมชาติมีมากนะที่ท่านอนุรักษ ัาป่าสุโกโตนะก็เพราความรักธรรมชาติที่ออกมาเองเห็นต้นไม้ร่วมก็อยากจะช่วยเขาไม่ใช่แค่รักธรรมชาติแต่รักเพื่อนมนุษย์ด้วยตอนที่ท่านขึ้นมาที่ัป่าสุโกโตนะท่านก็อยากจะมาสอนกรรมฐานมาบูเบอบป่าสุโกโตกับหลวงพ่อบุญธรรมเพื่อตั้งใจจะให้ที่นี่เป็นที่สอนกรรมฐาน แต่ว่าญาติยโยมที่ท า, าไฟเขาเดือดร้อนเขาเอให้ท่านไปเป็นเจ้าวาดเพราะว่าพระที่นั่นก็ไม่มีชาวบ้านก็ลำบากทะเลาะเบาแวงกันสมัยก่อนท่าไฟเนื่อเมืี่สิ0ปีที่แล้วเรียกว่าดงเลือดเพราะว่าโจนผู้ร้ายคนหนีคดีก็ามากันอยู่กันเป็นชุมชนจนกลายเป็นหมู่บ้าน พ่อท่านก็เมตตาชาวบ้านก็ไปไปรับเป็นเจ้าว่าที่นั่นพอเป็นเจ้าว่าแล้วก็ก็ไม่ได้สอนชาวบ้านเต็มที่นะเพราะว่าเห็นเด็กชาวบ้านเดือดร้อนเพราะว่าเวลาพ่อแม่ไปทําไร่ลูกเล็กเด็กแดงก็ต้องตามไปด้วยบางทีก็ไปเจอไข้ป่าบางทีไปเจอมาเรี ย, รยหรือว่าโดนฝนโดนแดด เด็กไม่สบายถึงตายก็มีนะสาสิปีที่แล้วที่นี่มันไม่มีอะไรเลยนะแม้กระทั่งสถานีน้ำใหม่ผู้ใหญ่บ้านยังไม่มีเลยท่านก็เลยตั้งศูนย์เด็กขึ้นมาท่านก็ไม่รู้นะเนี่ยเรียกว่าศูนย์เด็กนะแต่ท่านอยากจะเอาเด็กนะมามาดูแลที่วัดเพื่อจะได้ไม่ต้องไปลำบากที่ไ่ และหลวงพ่อท่านก็เป็นครูสอนเองตั้งแต่ปี2 1 2หนึ่งสองสองมาท่านไม่รู้ว่านั่นคือศูนย์เด็กแห่งแรกของจังหวัดชัยภูมินะท่านก็ไม่รู้ด้วยว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยมองท่านด้วยความหวาดระแวงเพราะสมัยก่อนที่นี่มันเป็นเขตสีชมพูนะบนเขาเนี่ยมีคอมมิวนิสต์มาเคลื่อนไหวปฏิบัติการก็มองว่าท่าน เป็นแนวร่วมคอมมิวนิสต์นะพวกข้าราชการบ้านเมืองเพราะว่าทําไม่เหมือนใครนะจัตั้งศูนย์เด็กมือนก็จะเล่นการเมืองแสวงหาแนาวร่วมนะคิดไปไกลขนาดนั้นแต่ท่านก็ไม่ท้อถอยท่านก็ไม่วันวายนะไม่กลัวไม่กลัวข้าราชการท่านก็ยังสอนยังช่วยเด็กอยู่นะสอนเด็กทํานมถัวเหลืองให้เด็ก อันนี้ก็ดวยนา่นความเมตตาเพื่อไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็มีแต่ความเมตตากรุณาอยากจะช่วยเหลือตอนหลังก็ทำโครงการต่างๆเพื่อช่วยชาวบ้านเช่นทำสากรข้าวเพื่อเอาเอาข้าวราคาถูกมาขายวตัตก่อนข้าวบนหลังเขามันแพงไม่มีรถหรือมีรถก็ขึ้นมายากต่อบ้านต้องขนข้าวขึ้นมา ราคาก็เลยเพิ่มขึ้นตามตัวหลวงพ่อท่านบอกว่ามันออกมาเองนะมันมาเองความคิดความตั้งใจที่จะช่วยชาวบ้านเนี่ยมันมาเองไม่ได้มีความคิดแต่ลมากมายอันนี้พ่ออะไรกเพราะความเมตตากรุณาเมื่อเห็นตนอย่างแจ่มแจ้งก็ความเห็นแั่ตัวก็หมดไปไมีแต่ความ เมตากรุลนาไม่มีแบ่งแยกอันนี้ท่านก็ทํามาเป็นเวลานานนะจนกระทั่งตอนหลังท่านก็รู้สึกพอแล้วนะชาวบ้านก็เงยหน้าอาปากได้แล้วท่านก็เลยหันมาในเรื่องกรรมฐานมากขึ้นพรตอนหลังก็มีคนมาหลั่งไหลมาที่สุกโตนะเพื่อมาเรียนกรรมฐาน แต่ก่อนตรงนี้เนี่ยนะตรงบริเวณเนี่ ย, ย, นนย ม, มันเป็นมันเป็นมันเป็นพุทธเกษตรนะที่ท่านตั้งใจจะเป็นสอนเป็นแปลงสาธิตเป็นพื้นที่สาธิตเพื่อให้ชาวบ้านได้รู้จักพึ่งตัวเองปลูกแบบผสมผสานไม่ใช่ปลูกแต่มันเอาไปขายท่านยายชาวบ้านพึ่งตนเองจะได้ผลจากหนี้สินจะชวนชาวบ้านมาปลูกผักที่นี่ สามสี่กปีก่อนที่นี่มันมันเป็นมันเป็นแปลงผักนะแต่ว่าตอนหลังก็ก็เปลี่ยนนะมาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมจนกระทั่งความยึดมั่นสำคัญหมายในตัวตนหมดไปไม่มีความเป็ น, นตัวมีแต่ความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้เพราะอะเพราะ พมองตนนะจนเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งว่ามันไม่มีตนใดๆที่จะให้หวงแหนยึตมั่นถือมั่นได้มีนักปราชาอินเดียคนหนึ่งพูดไปดีนะพูดสรุป ไ, ปได้กระชับนีเขาบอกว่าเมื่อหันมามองข้างในก็พบว่าฉันนั้นว่างเปล่า อันนี้แหละที่เรียกว่าปัญญาเมื่อมองไปภายนอกก็เห็นว่าฉันคือทุกสิ่งอันนี้แหละคือกรุณาชีวิตของฉันเนี่ยก็ขับเคลื่อนด้วยสองสิ่งนี้นะคือปัญญากรุณาอันนี้เป็นการสุดใจความการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาได้อย่างกระชับมากนันก็คือว่าพุทธศาสนานี่ก็ เน้นที่การหันมามองตนตนพบว่าไม่มีตนมีแต่ความว่างคือว่างเปล่าจากตัวตนสิ่งที่ทำให้เห็ น, ต ร, นตรงนี้ได้คือปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นการุณาก็ตามมาก็คือว่าเห็นว่าไม่มีเส้นแบ่งระหว่างฉันกับสิ่งอื่นมีความรู้สึกเป็นเกิดความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับ สรรพสัตว์สรรพชีวิตหรือว่ากับโลกทั้งมวลอันนี้คือลักษณะคุณลักษณะของพระพุทธเจา้านะซึ่งเปลี่ยนไปด้วยมหากรุณาและมหาปัญญาพระกรุณาคุณพระปัญญาคุณของพระพุทธเจา้าเคือนนี่แหละปัญญาคุณทำให้พระองค์พบ ว, ว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนอยู่เลยมีแต่อนัตตา ปัญญาก็ทำให้เกิดความเมตตาเพราะไม่มีความเห็นแค่ตัวทรงรักษาปรศัตเท่าขันหมดทรงรู้สึกอย่างไรกับพาระลาหุนก็รู้สึกอย่างเดียวกันกับพระเทวทัตพระราหุนนี่เป็นเป็นลูกนะพระเทวทัตนี่ก็เป็นผู้ปองร้ายท่านแต่ท่านมีความสม่าเสมอนะคือมีความเมตตาทั้ง กับสองคนเสมอกันหมดอันนี้เราเป็นความเมตตาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่มีการแบ่งแยกเป็นอนิสงค์ของการปฏิบัติธรรมเป็นอนิสงค์ของการมองตนัถ้าเรามองตนด้วยสติจนเกิดปัญญาก็จะเกิดคุณธรรมอย่างที่ว่าคือว่าไม่มีความยึดติดถือมั่น ในตัวกูต่อไปพ่อมองเห็นว่าแท้จริงมันไม่มีตัวฉันนะมันมีแต่รูป ก, กับนามีแต่ขันห้าเกิดความสึกเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งเพราะว่าธรรมชาตินอกตัวกับธรรมชาติในตัวก็อันเดียวกันขันห้าที่อยู่ภายนอกขันหที่อยู่กับตนก็เป็นอันเดียวกัน เนั้นถ้าเราปฏิบัติรำเนี่ยเราหมอนมองตนอยู่เสมอเนี่ยก็อยากจะร่วมมีความก้าวหน้าอย่างไรนะก็มาดูตรงนี้แหละว่าความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในมีมากขึ้นหรือน้อยลงได้เห็นความจริงเรื่องกายกับใจได้ได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเห็นแต่ยังคงเห็นแต่ตัวกูตัวกูอยู่นั่นแหละถ้ามองตนและเห็นแต่ตนเอง ตัวใหญ่เบื้อเริมนี่นั่นถือว่าไม่ถูกทางแล้วถ้ามองตนตนไม่เห็นตนและมีความกรุณานาะอย่างมากมายเพิ่มขึ้นตามลำดับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาเป็นความเจริญก้าวหน้าละก็กลับไปก็ลองไปนะเปรียบเทียบพิจารณานะตัวเองดูนะว่าเราได้เข้าถึงสภาวะเช่นนั้นมากน้อยเพียงใด Thank you.